ตานึกภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาภายในเวลานี้เป็นเวลาภาวนาเป็นเวลาสงบกายสงบวาจาสงบจิตคือไม่ตามจิตใจจะปรุงแต่งคิดนึกไปไหนเราไม่ไป เรานึกภาวนาเอาพุทธคุณคพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ที่ว่าพุทธโธอยู่ในใจพุทธโธพุทธะแปลว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้นั้นทุกทุกขนทุกตัวสัตว์ทุกตัวขันขนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งใหญ่โต ก็มีจิตใจดวงผู้รู้ที่เราฟังทมอยู่ได้ยินเสียงอันเดียวกันหมดทั้งคนทั้งสัตว์จิตใจดวงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสโลกตัดกิเลสในจิตใจอันนี้จิตใจอันนี้มันมาล่มหลงมัวเมา อยู่ในโลกนับไม่ถ้วนคือมาสำคัญผิดคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมาลมให้ความสุขความสบายแก่กจิตใจแต่หาลู่ไม่ว่ามันเป็นการโผกมัด จิตใจอันนี้ให้คล่องโย่ในกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเมื่อมาเกิดเป็นูปหร่างกายก็ต้องมีปากมีท้องมีมือมีเท้ามีอะไรทุกอย่างทุกประการพระพุทธเจ้าท่านก็ มาภาวนาแก้ไขไม่ให้จิตใจที่มาโยในร่างกายสังขารนี้มาลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปเสียงปิ่นรถโพธพภะธรรมลมของโลกอันนี้อีกต่อไปพระองค์มาชำระแก้ไขไม่ให้จิตใจดวงนี้ มาล้มหลงตามโลภเสียงกลิ่นรสพอตภะธรรมอาลมคือจิตมันหลงหลงโลกเสียงกลิ่นรสไม่ใช่โลภเสียงกลิ่นรสมันมาหลงจิตจิตคนเรานี่แหละมันไปหลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายความจริงมันเป็นเรื่องความหลง ท่านว่าอาวิชาความไม่รู้เจ็ดไม่รู้จึงได้มาหลงยึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดเรายึดของของเราเวลาภาวานาท่านให้สงบ จ, จิตใจเพื่อไม่ให้มายึดถือต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อความยึดหน้าถือตาความยึดเรายึดของของเรามีอยู่นั่นแหละตัวที่พาให้มาเกิดขั้นมาเกิดแล้วมันก็แก่เจ็บไข้แล้วก็ตายตายแล้วมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาอีกเพราะจิตนี้มันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะธรรมล่ม คือจิตมันยังไม่เบื่อไม่ถอนไม่เห็นทุกข์เห็นโทษมาสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายกินดีอยู่ดีได้รับอารมณ์ท้งห้าท้งหกเป็นความสุขแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจมนุษย์คนเราให้มาหลงอยู่ติดอยู่ข้องอยู่ เหมือนก็มดที่มันเห็นน้ำตาลเห็นน้ำพึ่งอยู่ในถ้วยชามอยู่ที่ไหนก็ตามมดเมื่อมันเห็นของหวานมันก็ไปกินของหวานในขณะที่มันลงไปกินของหวานไม่ได้คิดว่าตัวเองจะไปจมตายในน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำตาลนั้นขั้นพอลงไปก็ตายกัน จิตคนเราที่มาหลงรูปเสียงกลิ่นรสพอธะพระธำมาลมอยู่ไม่จบไม่สิ้นก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ระวังจิตอันนี้จิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกไปตามอารมณ์ต่างๆท่านให้หยุดท่านให้ทำความสงบไม่ต้องตามมันไป ให้มาสงบอยู่ในจิตใจดวงที่นึกภาวนาพุโทโธพุธโทโธหรือนึกภาวนาว่าตายตายก็ได้เตือนจิตใจอันนี้ไม่ให้ไปหาที่เกิดที่ตายอีกแล้วว่าให้จิตใจนี่เห็นทุกข์เห็นโทษว่าการที่มาหลงอยู่ในโลก หลงไหลไปตามลูกหลงไหลไปตามเสียงหลงไหลไปตามกลิ่นรสโผฏฐพะธรรมาลมนี่เป็นการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่จบที่สิน้นเมื่อจิตของผู้ใด ย, ยังลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการภายนอกเช่นนะั้นก็ชื่อว่าการเกิดการแก่การเจ็บไข้การตายก็ไม่จบสิ้นลงไป เมื่อผู้ใดามาเห็นว่าโลกเสียงปินรสพอตระธรรมอารมณ์นี้ไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์เพื่อให้จิตใจมาทุกข์มาเดือดร้อนตามอารมณ์เพราะความหลงความไม่รู้ในจิตเพราะจิตไม่หยุดไม่อยู่ไม่ภาวนาพุทโธอยู่ในตัวในใจ จึงปล่อยให้อำนาจฝ่ายกิเลสนั้นมาทับถมจิตจนเจตใจหลงโยติดอยู่เหมือนมดลงไปกินน้ำอ้อยน้ำตาลก็เลยไปตายอยู่แค่นั้นเจ็ดคนเรามันก็ตายอยู่แค่รูปเสียงกลิ่นรสโภทภพทพภะธรรมอาลม ไม่ยอมสงบไม่ยอมตั้งมัน่นไม่ยอมปล่อยยอมวางแล้ว่าเป็นจิตใจที่ฟุ้งเฟ้อเหอเ ห, อเหอิมฟุ้งซ่านลำขาดไม่สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราภาวนาแล้วว่ารวมเข้ามาสงบเข้ามาโซจิตใจดวงที่โลดที่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ จิตนั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันณนะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตนั้นก็คือดวงที่มีความรู้อยู่แต่ดวงจิตที่รู้โยนี่แหละมันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไขา้มาตายมาวุ่นวายตามอำนาจกิเลสนี่ ยังได้เกิดได้ตายพาให้ลุ่มหลงมัวเมาไม่จบไม่สิน้นถ้าเกิดมาแล้ก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามกิเลสตัณหาในใจของตนอย่างนั้นตลอดกาลวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่าเมื่อจิตนี้มาภาวานาทำจิตให้สงบรังอับแล้วก็ แก้ไขจิตใจที่เคยลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปรสกลิ่นเสียงให้รู้จักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผูกมัดจิตใจของคนเราให้ลุ่มหลงมัวเมาติดแน่นอยู่ในหน้าในตาในตัวในตนในเราในของของเราเป็นจิตที่ไม่ปล่อยวางไม่เลิกละ เป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสความโกรธความไม่พอใจกิเลสความโลภความอยากได้กิเลสความหลงเมยโยในจิตอันนี้เพราะจิตอันนี้มันยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรามันยึดใดย้ยึดไปแค่ไหนก็ยึดตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายตายแล้วก็ มีความลุ่มหลงหมัวเมาต่อไปอีกจิตใจดวงที่ผู้รู้ผู้คิดผู้นึกผู้หลงเนลมันไม่ได้ตายดินน้าไฟลมที่มาประชมกันนี้มันอยู่ไม่ได้มันแตกสลายไปจิตอาศัยไม่ได้ก็เรียกว่าตายไปจิตดวงผู้รู้ผู้ฟังนี่มันไม่ได้ตาย แต่ว่าถ้ามันตายหมายถึงลูกแต่นามดับจิตที่อยู่ในกายอย่างนี้ก็ไม่อยู่มันไปที่อื่นนั่งล่ะตัวนี้แหละเวลาภาวนาท่านก็ให้เอาจิตใจดวงนี้แหละนึกบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจพุโทโธพุธโทโธอยู่ที่นี่ ที่นี่ที่ใจดวงที่มีความรู้อยู่สิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาอีกเป็นการต่อพบต่อชะต่อให้มันวุ่นวายไปไม่จบไม่สิน้นจงมาสงบกายสงบวาจาสงบจิตทําจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่นรวมลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว เมื่อรวมลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ได้มันก็เลยเป็นเครื่องติดข้องภัวพันตันหาการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาก็ยึดเหนี่ยวให้จิตใจอันนี้หลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์กิเลสเหล่านี้มันโผกมัดรัดเรง ให้จิตใจคนเราที่มีความลุ่มหลงมัวเมามาแล้วลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปที่เราแก้จิตใจจึงต้องแก้ที่นี้แก้ลงไปที่จิตใจภาว น, นาคุถโทคุถโธหรือนึกว่าตายตายก็ได้เพื่อให้จิตรูเสึกว่าตัวเองที่มายึดก้อนธาตุขันธ์อันนี้นะ ต้องมีเวลาแตกดับต้องมีเวลาตายถ้าธาตุดินน้ำไฟลมมันไม่ประชุมกันแล้วมันแตกมันกระจายไปจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้การที่จิตมาอยู่ในร่างกายได้คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันยังสมำเสมอยึดเหนี่ยวกันไว้อยู่ดวงจิตก็มาอาศัยอยู่ มาอาศัยโยแล้วก็มีความลุ่มหลงมัวเมาดิ้นลนวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าให้บริกรรมภาวนาแล้วพิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองไม่ใช่เป็นตัวของเหล่าแท้ ถ้าเป็นตัวเราแท้ก็บอกว่าไม่ให้แก่ก็ไม่ต้องแก่ไม่ให้เจ็บนะก็ไม่เจ็บไม่ให้ตายนะก็ไม่ตายอันนี้จึงเป็นตัวเราแท้เมื่อเราบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังท่านจึงว่าไม่ใช่ตัวเราจิต่านได้ไปลุ่มหลงมัวเมายึดเอาถือเอาอะไรทั้งหมดมันแค่ลมลมแรงแรงเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นนา จะมาลุ่มหลงมัวเมาจะมายึดมาถือในโลกนี้มันมีของใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่เมื่อมีชีวิตลมหายใจก็อยู่ไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อชีวิตลมหายใจแตกดับมันก็กยู่ไม่ได้แล้ว เราอยชั่วระยะที่มันยังมีลมหายใจอยู่เท่านี้เองจึงให้รวมจิตใจเข้ามานึกภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจหรือภาวนาว่ามรณงเมภวิสติเราต้องตายเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาอยชั่วฟ้าดินสลายไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มี เกิดมาแล้วต้องมีเวลาแตกดับตายคือร่างกายของมนุษย์คนเรานั้นมันก็ดินน้ำไฟลมมาประชมกันอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันก็แตกไปดับไปเป็นธรรมดาจิตที่มีความลุ่มหลงมัวเมาก็มาล่องให้น้ำตาไหลเป็นห่วงอะไร ดินน้ำไฟลมนั่นเองเวลานี้ท่านจึงให้นึกบริกรรมทาใจให้สงบตั้งมัน่นอารมณ์เรื่องราวอาดีตอ น, นาคตภายนอกออกไปไม่ต้องเกี่ยวเอาอารมณ์ปัจจุบันคือในขณะนี้เดี๋ยวนี้ชั่วระยะที่เราฟังทมฟังเสียงเสียงนี้เกิดขึ้น จากลมหายใจกระทบเลียนกระทบปากกระทบฟันกระทบเป็นเสียงออกมามีเจตนามุ่งหวังให้คนเราพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นให้บริกรรมภาวนาพุทธโธ เพื่อให้จิตใจมาเย็ดเหนียวอยู่ในองค์พุทธอจนกระทั่งจิตใจมาอยู่ที่องค์พุทธทรจริงๆเมื่อจิตมาหยดมาอยู่ที่นี่แล้วความเล่าร้อนต่างๆก็จะได้หายไปจะมาอยู่ที่เนกบริกรรมภาวานานั้นจิตก็จะได้รวมลงไปสบายอกสบายใจ ถ้าจิตในมันดิ้นหล่นวุ่นวายไปตามสมมุตินิยมของโลกหรือเวลาความติเตียนนินทาว่าไลายป้ายสีก่็เสียอกเสียใจความจริงไม่ควรเสียใจก็เสียงดุดาว่าไลายป้ายสีให้แก่กันมันมีอยู่ในโลกก่อนเมื่อเรายังไม่มาเกิดเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้เรามาเกิดสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่อย่างนี้ สมมติว่าเราตายไปแล้วโลกนี้เขาก็สั้นเริญนินทาว่าลายป้ายสีให้แก่กันอย่างนี้มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์เพราะจิตยึดมั่นถือมัน่นนั่นเองถ้าเรามาภาวนาทาจิตทาใจดวงนี้ให้สงบนิ่งแนวเป็นดวงเดียว เมื่อไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดชาติไม่ยึดตระกูลไม่ยึดเรายึดของของเราเป็นจิตที่สงบตั้งมั่นปล่อยวางเจตใจดวงนี้จะสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรจะเกิดก็เป็นเรื่องของมนุษย์และสัตว์ทั้งยเขาเกิดอะไรมันจะแตกจะตายก็เป็นเรื่องของโลกของกิเลสมันแตกมันตายไป ความจริงจิต ใ, ใจของคนเรามันตายไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวแต่ในขณะที่มาอาศัยอยู่ในโลกร่างกายมานุษย์ก็สำคัญผิดคิดว่าเราเป็นคนไปอาศัยอยู่ในสัตว์ก็ว่าเราเป็นสัตว์คือใจิตใจดวงนี้มันหลงไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงณภายใน จึงหัดจิตใจของตนกองนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่นอย่าได้ลหลงไหลไปตามอาการภายนอกใครจะสมมตินนยอมอย่างไรก็แค่นั้นมันมีเกิดกับตายเป็นผลที่สุดอยู่อย่างนี้ใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามแต่ธาตุสี่ขันห้าเหล่านี้มันมีอยู่อย่างนี้ ตายมันก็ตายเพราะเวลามันประชุมกันเข้าธาตุดินน้ำไฟลมอาศัยได้จิตก็มาอาศัยเมื่อมาอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมมันขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งคมกันไม่อยู่มันก็เรียกว่าแตกไปดับไป จิตนี่ก็แล่นลอนไปหาพบใหม่ชาติใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้จึงควรมาภาวานาทมจิตใจดวงนี้ให้สงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจไม่ต้องไปที่ไหนภาวานาพุทโธอยู่ในดวงใจดวงเจ็ดดวงใจนั้นมันมีอยู่ในตัวคนเราคนละดวงละดวงไม่ต้องไป หาจิตใจคนอื่นมาใส่เข้าไม่มีในตัวคนเราคนหนึ่งก็มีจิตใจดวงผู้รู้อยู่คนละดวงละดวงเท่านั้นเองจะเอาอะไรมาเพิ่มเติมก็ไม่มีมันเป็นคนลายส่วนจึงให้พากันรวมจิตรวมใจสงบจิตใจเข้ามาภายในไม่ต้องไปหาภายนอกไปหาก็ไม่เห็น เพราะว่าถ้าเกิดหาขึ้นมากับผู้หานั่นแหละมันจะไปเห็นได้อย่างไรเหมือนคนเอาผ้ามัดบนศีรษะแล้วจะไปตามหาผ้าเรียกว่าไม่เห็นตามไปจนวันตายก็ไม่เห็นแหละเพราะมันอยู่บนศีรษะของตัวเองกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจนี่ถ้าเราเพียรพยายามภาวนาเลิกละสงบหลังนะครับ เขียนเพลงให้เห็นว่าจิตนี้เป็นผู้หลงไหลไปตามกิเลสความโกรธเลิกละกิเลสความโกรธออกจา ก, กจิตใจให้ได้มันก็ไม่มีเรื่องราวอะไรกิเลสความโลภคือความอยากความดิน้นรนใน จ, ใจิตใจมันไม่อิ่มไม่พอไม่หยุดเราก็เพียนพยายามเลิกละออกไป กิเลสความลุ่มหลงมัวเมาในหน้าในตาในชื่อในเสียงในร่างในกายในตัวในตนในเราในของของเราก็เมื่อนกันหลงเท่าใดก็ทุกข์มากเท่านั้นดิ้นหล่นวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีที่จบสิ้นเชื่อว่าตัณหาไม่มีที่พอ ไม่มีที่อิ่มเราต้องภาวานาทำใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจไม่ให้ออกไปภายนอกถ้าออกไปภายนอกมันได้กับกิเลสมันก็พาให้วุ่นวายไปถ้ามาสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจของเราได้ใจของเราก็เย็นสบายมีความสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใด ดินน้ำไฟลมธาตุสี่ขันธ์ห้าอายาตนะทางหลายที่มาเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเรามาหลงยึดหลงถือมันว่าเป็นตัวเราของเราแต่ถ้าเราถามดูว่ามันเป็นตัวเราของเราจริงไหมดินมันเป็นของไทยน้ำมันเป็นของไกลไฟลมเป็นของไกลดินน้ำไฟลมเขาเป็นธาตุ เขาไม่ว่าอะไรเป็นของใครเขาก็ไม่ว่ามีเหตุการณ์ให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละมีเหตุการณ์ให้มันแตกดับทาลายไปมันก็ทำลายไปเขาไม่ทุกจิตใจหลงอันนี้ต่างหากมันมายึดมาถือก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายร้องให้น้ำตาไหล ไม่มีที่จบที่สิ้นนี่คือความหลงของคนของจิตคนก็คือจิตนั่นแหละจิตก็คือคนนั่นแหละมันมาหลงจิตมันหลงโลกไม่ใช่โลกมาหลงจิตโลภเสียงกินรสพอทะพระทำมาหลง ม, มันไม่ได้ไปหลงใครใจของคนเราไม่ภาวนาไม่ทําจิตใจให้สงบตั้งมัน่น ก็เลยมาลุ่มหลองมัวเมายึดมั่นถือมั่นเข้าใจว่าตัวจะไม่แก่ตัวจะไม่เจ็บไข้ได้พยาธิแล้วเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายเกิดมาแล้วจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่มีคนสมัยนี้เกิดมาอายุไม่ค่อยถึง1 0อยปีก็ตายแล้วเท่านั้นเอง นั้นจิตใจผู้มาโยอาศัยในรูปนามกายใจนี้จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบตั้งมัน่นแล้วก็ให้นึกให้พิจารณาให้เห็นว่ามีกายมีจิตมีรูปนามอยู่ที่ไหนที่นั่นก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้หลยใครจะรู้ไม่รู้ก็ตาม สภาวะเหล่านี้เขาเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อผู้ปฏิบัติมากําหนดรู้แจ้งในจิตใจไม่ให้จิตใจดวงนี้ลุ่มหลงมัวเมาไปในโลกในวัตฏสงสารอีกต่อไปมาสงบมั่นอยู่ในดวงใจสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับไปแตกไปเป็นธรรม ด, ดะ ไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้จงตามรู้ตามเห็นภาวานาอยู่ในจิตใจของตัวเองใจคนอื่นร่างกายสังขารคนอื่นช่างเขาไม่มีใครจะแก้ไขให้ได้ต้องเป็นตัวเราเองคือใจนี่แหละมาแก้ไขคือใจมาหลงดินหลงนำ้ำหลงไฟหลงหลม หลงลอกหลงวัตตะสงสารสิ่งอื่นเขาไม่รู้จักเปิดหลงอะไรเขาเป็นทินธาตเท่านั้นเองผู้หลงก็คือจิตเรานั่นแหละจิตเราก็โดยสมมติความจริงจิตมันก็ไม่ใช่ของใครของเราก็ไม่ใช่ของใครก็ไม่เชิง แต่ว่าเมื่อมันมายึดมาถือมายึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกโรมนัตครับแค่แน่นใจเพราะอาวิชชาตันหาในจิตใจของแต่และดวงใจนั่นแหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่จึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูบชา ภาวนายาได้มีความท้อท้อยไม่ว่าเราจะเป็นเพศหญิงเพศชายครหัดหนักบูรเป็นอะไรก็ตามตามสมมุติโลกก็ต้องสมมุติให้มันเป็นไปอย่างนั้นเองส่วนการนั่งสมาธิภาวนาของเราทุกคนไม่ให้ขาดล้ำลึกอยู่ในใจไม่ให้ใจประมาทไม่ให้ใจลุ่มหลง ไม่ให้ใจมัวเมาไปตามกิเลสตัณหามานะทิฏฐิของคนของสัตว์ทั้งหลายในโลกเมจิตใจตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติเรียกว่านึกบริกรรมพุทโธก็ให้มั่นอยู่ในพุทโธพุทธะคำว่ามั่นโยก็คือว่าให้ลู้เท่าทันพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นผู้ลูก แม่สาวกทางหลายเมื่อภาวานาก็เป็นผู้ลูกไม่ให้ลหลงไหลไปติดข้องพัวพัน์ในวัฏฏะสงสารอีกต่อไปเรียว่ามีอะไรเป็นอะไรก็ไม่ให้จิตใจไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนความไม่รู้ตัางหา มาฝึกหัดจิตใจของตนให้รู้ให้เข้าใจนั่งอยู่ก็ให้รู้ใจพุทโธอยู่ภายในนอนอยู่ก็ให้รู้ใจพุทโธอยู่ภายในยืนเดินไปมากินทายอะไรก็ให้รู้โยภายในจิตใจนั้นสิ่งที่จะโกรธก็ไม่ต้องไปโกรธโกรธให้ดินมันจะได้อะไรโกรธให้น้าให้ไฟมันจะได้อะไร ดินน้ำไฟลมเขาไม่รู้จักอะไรเพราะความหลงของใจคนเหล่านี้เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงต้องภาวานาทำจิตใจของตัวเองให้เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาศจารรไม่มาหลงคล้องอยู่ติดอยู่หลงไหลอยู่ในกิเลสกามวัตถกรรุกาม อันไม่จบไม่สิน้นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านรู้เข้าใจแล้วท่านก็ปล่อยวางเลิกละพระอริยสงสาวกอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลท่านภาวนารู้แล้วท่านก็ปล่อยวางไม่หลงมายึดอยู่ถืออยู่จิตใจของท่านก็หลุดออกพ้นออกจากโลกจากวัฏสงสาร ไม่มีการยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลอย่างไรไม่มีจึงเชื่อว่าจิตใจของท่านบริสุทธิ์ของท่านบริสุทธิ์ของเรายัางไม่บริสุทธิ์จึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูบชาภาวนาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาต่อไปไม่ให้ทอตทุละไม่ให้หลงลืม ให้จิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจพุทโธเทเี่เรานึกได้ยินที่ไหนให้เพียนเพ่งอยู่ในที่นี้เรียกว่าปัจจตังเวทิตโภวิญโยหิวิญโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตมารู้แจ้งจำเพาะจิตใจของตัวเองไม่ต้องไป แจ้งใจคนอื่นคนอื่นผู้อื่นเขาก็ทำเองปฏิบัติเองฉะนั้นให้เราทุกคนรวมกำลังตั้งมัน่นลงไปในหัวใจของเราให้ได้จึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศชนี สพิติโยวิวัตชันตุสภะโลกโควินาชตุมาติพวัตะ ว, วันตรายโยจุกยุติคายุโกภวะอภิวาธนาศีฤษสนิจังวุธาปัจจยิโนจตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง